Book 2 80 80สิบตคำคุณศัพท์สไปฟุ้งละกันนมวอร์เดรรเธอมีสุนัขหนึ่งตัวไซแฮตออห์นสุนัขตัวใหญ่ เดอะฮุนต์อื o อเธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวไซฮิตอ h ้ er n ครูเอ็ดฮุเธอมีบ้านหนึ่งหลังไซฮิตอื้อเฮาสบ้านหลังเล็กเ e เฮ i ส์อื้อค n เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง ไซฮิ e เอ klein h เ i s เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง w o ว n นเอ็นดิว t e l โรงแรมราคาถูกดิวเทลเอส o ุตเ o o p เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกไฮวูนเอ็นดิฮ o ตเก o บฮุต t e l เขามีรถหนึ่งคันไฮไฮท์มูเตรรถราคาแพงดีมูเตอรอสดีรเขามีรถราคาแพงหนึ่งคันไฮไฮท์อืสมเตรเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องไ นิยายน่าเบื่อ diruman is sigh เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง hi les a sigh ruman เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง actike no a film หนังน่าตื่นเต้น the film is spanent